วันเวลาผ่านไปผ่านไปไม่มีหยุดยัง้งเวลาจะกลื่นกินสรัพรพสิงสรัรพพสัตสรัพรพบุคคลไปหมดเวลาเปรียบเหมือนงูยักษ์ที่จะค่อยๆก็เมือบเหยือ่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย นี่คือธรรมชาติของเวลาที่เกี่ยวข้องกับสังขารร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเรากําลังถูกเวลาค่อยๆก็เมื่อบค่อยๆกรืนค่อยๆกินเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยตายไปกันทีละคนสองคน ครูบาอาจารย์ต่างๆก็เริ่มจากกันไปจากพวกเราไปทีละคนสองคนเดี๋ยวต่อไปพวกเราก็ต้องจากกันไปทีละคนสองคนวันเวลาไม่มีการหยุดยัง้งสังขารร่างกายคือความชลา ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไม่มีการหยุดยัง้งมีการก้าวไปอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรายังสามารถทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับ จิตใจของพวกเราได้อยู่แต่ตอนที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้แก่จิตใจได้เพราะตอนตายก็เป็นเวลาที่จิตใจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาที่จะทำบุญทำบาปได้ก็ตอนที่มีชีวิตอยู่อย่างเช่นตอนนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนทรงสอนให้พวกเราเหมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆให้เจริญมรรานุสติ เพราะการเจริญมรณานุสตินี้เป็นความไม่ประมาทนั่นเองก่อนที่จะจากพวกเราไปพองค์ได้ทรงตักเตือนไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นอยู่เป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ยงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทนี้คืออะไรก็คือให้ลำเลิกถึงความตายอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่เนืองเนืองเคยทรงถามพระอานุ์ว่าอานุน เธอได้พิจารณาความตายวันละกี่ครั้งพระอนอน์ก็ตอบว่าพิจารณาวันละ4ีห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นนอนค่าก่อนนอนพระองค์ทรงตรัสว่าอนอน์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ถ้าเธอไม่อยากตั้งอยู่ในความประมาท เธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าเธอระลึกอยู่อย่างนี้เธอจะมีความกระตือรือร้อนต่อการทำประโยชน์ของเธอของจิตใจของเธอ เพราะจิตใจของเธอตอนนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์อันสูงสุดและถ้าไม่รีบทำในขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่สามารถทำประโยชน์ให้แก่จิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดได้โดยเฉพาะพบนี้ชาตินี้ เป็นโอกาสทองของจิตใจของพวกเธอทั้งหลายที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รู้จักวิธีสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่จิตใจมิเป็นผู้สั่งผู้สอนเพราะถ้า ม, มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเธอจะไม่มีใครสอน ให้พวกเธอรู้จักวิธีสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่จิตใจได้คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จิตใจของพวกเธอยังติดอยู่ในสัสังสารวัฏ ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพวกเธ อ, อยังไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดได้คือขั้นพระนิพพานดังนั้นพวกเธอควรที่จะรีบขวนขวาย สร้างพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมาในใจเิดเป็นมงคลอย่างยิ่งการทำให้พระนิพพานแจ้งขึ้นมาในใจเป็นมงคลอย่างยิ่งนิบานะสัจิกิริยาเอตมังกาลมุตตะมังกา ร, าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอันสูงสุด ไม่มีมงคลอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับมงคลที่ได้จากการทำให้พระนิพนิพานปรากฏขึ้นมาภายในใจเพราะพระนิพพานก็คือบร ม, มสุขนั่นเองไม่มีความทุกข์ในจิตในใจของผู้ที่ทำพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมา จะมีแต่บวล ม, มาสุขเพียงอย่างเดียวและจะไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสที่จะได้มีพระนิพพานทำพระนิพพานให้แจ้งต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้มาอบรมมาสั่งสอนถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วจะไม่มีใครรู้วิธี ที่จะทำให้พระนิพพานแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจตอนนี้มีพระพุทธมีพระธรรมอยู่ในรูปแบบของพระมีพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมพระธรรมนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนที่ได้ทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่า พวกเธอทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ปาสจากศาสดาเพราะศาสดาของของพวกเธอที่จะมาทําหน้าที่แทนเราก็คือพระธรรมวีนัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี้เองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมนี่คือ ผู้ที่จะนำทางผู้ที่จะสั่งสอนให้พวกเราได้บรรลุถึงพระนิพพานกันคือพระธรรมคาสอนอันประเสริฐที่มีจารึกที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระคำพีอันมีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นเป็นศูนย์แห่งความรู้ที่สูงสุด ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ในสถาบันการศึกษาใดก็ตามจะเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่มีความรู้ที่จะสู้ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกได้เพราะความรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความรู้แบบ ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้เรียนจบปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกก็ตามจิตใจก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังจะต้องทุกข์ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เอาตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ จากการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในโลกนี้ที่จะให้ความรู้แบบเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดให้พ้นจากความทุกข์ได้สถาบันนั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นแก่นของความรู้เป็นแหล่งของความรู้เอถ้าได้พบกับองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์เอก็จะได้รับความรู้เหมือนกันเอความรู้ที่จะนําพาไปสู่พระนิพพานนําสู่นําพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีอยู่ในพระพุทธเจ้า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 ยังประโยชน์ให้แก่จิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดได้จาเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะมาสั่งมาสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้ามาเกิดเป็นเดลฉาน เช่นสัตว์ป่าที่อยู่บนเขานี่ถึงแม้จะอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยจะเป็นเหมือนกับไก่ได้ปลอยที่ไม่รู้คุณค่าของของลอยของเพชร คุยเขีย่ยไปเจอพลอยเจอเพชรก็จะเขีย่ยทิ้งไปจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเพราะรู้คุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนแต่ไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยว่ามีคุณค่ามากกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนมากน้อยเพียงไร ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับไก่ได้ปล่อยหรือเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่เองถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนี้ไม่มีสติปัญญาระดับมนุษย์ระดับวิยนยูชนมนุษย์ที่ฉลาด เป็นมนุษย์ที่โง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่รู้คุณค่าของเพชรอันล้ำค่าคือพระรัตนาตรัรัตนะก็คือเพชรพลอยนี่เองพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขารัตน์พวกเราได้มาพบกับเพชรอันล้ำค่าคือเพชรที่จะกะ ที่จะผลิตพระนิพพานให้กับพวกเรานั่นเองที่เป็นมหาเพชษสำหรับพวกเราคือพระนิพพานความสุขที่ได้จากเพชรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจทำพระนิพพานให้ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ได้นี่คือ ประเด็นสำคัญของการมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะตักตวงประโยชน์ของการเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเพชรอันล้ำค่าถ้ายังไปเห็นคุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดือนคือความสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกกรรม คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือตัวหนอนตัวไส้เดือนสำหรับมนุษย์ที่ยังไม่มีปัญญาระดับวินยูชนเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาระดับเดลฉานก็ยังไม่สามารถเห็นคุณค่าของเพชรของพระรัตนาตรได้ ยังเห็นตัวหนอนตัวไส้เดือนคือลาบยศจรลเสริญความสุขทางตาหูจมูกรินกายว่าเป็นลาบอันยิ่งใหญ่อ ย, อยู่ถ้ายังหาลาบยศจรลเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายอยู่มากกว่าการหาความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ยังแสดงว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์นี้ต้องเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาที่สามารถแยกแยะระหว่างตัวหนอนตัวไส้เดือนกับเพศได้กับเพชรกับพลอยได้ต้องมีความสามารถเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัย และมุ่งไปสู่การหาพระรันตนตรัยเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตไม่ใช่มุ่งไปสู่การหาลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเป็นเป้าหมายแห่งการดำเนินชีวิตเพราะถ้า เพราะเพราะถ้าเป้าหมายของการดำเนินชีวิตอยู่ที่การแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะว่าทรัพย์ที่ได้ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราว เมื่อหมดเมื่อร่างกายตายไปความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะหมดไปแต่ความอยากที่จะได้รับความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้มันไม่หมดไปกับความตายของร่างกายมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้จิตใจ กลับมาหาลาบยศสารเสญกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ก็จะทำให้มีการเกิดใหม่มีร่างกายอันใหม่แล้วก็มีกองทุกกองใหม่ปรากฏขึ้นมาในใจเพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ไม่มีเด็กคนไหนออกจากท้องแม่มาแล้วยิ้มแล้วหัวเราะดีใจ มีแต่ร้องไห้แล้วก็ร้องอยู่เรื่อยๆแทบทุกวันวันหนึ่งหลายหลายรอบถ้าสุขเราจะร้องไห้ทำไมร้องเพราะความหิวหิวอาหารหิวน้ำร้องเพราะเจ็บท้องปวดท้องร้องเพราะหนาวเกินไปเย็นเกินไปร้อนเพราะ ร้อนเพราะร้อนเกินไปมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็มีทุกข์ต่างๆตามมาอยู่เรื่อยๆไปจนถึงทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพรากจาก สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ น, นี่คือการเข้าหากองทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวถ้าตั้งเป้าอยู่ที่การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันถ้าไม่ตั้งเป้าอยู่ที่การเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อศึกษาหลักธรรมคําสอนอันประเสริฐที่จะนําพาไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะยังผลอันยิ่งใหญ่คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุถึงพระนิพพานอยู่ที่การเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ เป็นการเข้าวัดเท่านั้นการเข้าวัดนี้ก็อาจจะไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เพราเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้บุคคลที่เข้าวัดกันมัมกจะไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแต่รูปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปวัดทีไรก็ไปโบสถกันไปกราบพระพุทธรูปไปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็บริจาคเงินอ ใส่ไปในตู้เอก็คิดว่านี่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอันนี้เข้าด้วยกิริยาแต่ไม่ได้เข้าด้วยสาระประโยชน์สาระประโยชน์ที่จะได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยังไม่ได้จากการเพียงแต่ไปกราบพระพุทธรูปตามวัดวาต่างๆ บริจากเงินจากทองเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเพียงกิริยาหรือเป็นการเข้าถึงเปลือกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นยังไม่เข้าถึงเนื้อวิธีที่จะเข้าถึงเนื้อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องทำอย่างไรก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละถึงจะเข้าถึงเนื้อถึงสาระประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นการเข้าวัดนี้เข้าแบบถูกวิธีก็มีเข้าแบบไม่ถูกวิธีก็มี บางทีการเข้าวัดนี้ไม่จําเป็นต้องไปที่วัดก็ได้ถ้าเข้าแบบที่ถูกวิธีถ้าเข้าแบบที่เป็นสาระประโยชน์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็ไปถึงวัดได้ก็เดี๋ยวนี้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้แพร่หลายไปได้ทุกแห่งทุกคนความจริงอยู่ในกรร ม, มือของพวกเราทุกคนแล้วพวกเรากลับไม่รู้กัน กับไม่เคยไม่เคยเข้าหากันเลยอยู่ใกล้ๆตัวเองอยู่ในมือของตัวเองเยมือถือนี่ไงมือถือนี่แหละคือแหล่งของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเปิดมือถือกดค้นหาพระธรม ร, รมคาสอนดูเลยแล้วพระธรรมคำสอนต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้มากแปด อยากจะรู้อริยาศาสตร์สี่อยากจะรู้ไตรลักษณ์อยากจะรู้สติปัฏฐานสี่อยากจะรู้อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กดเข้าไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่เห็นแต่กดแต่ตัวเลขกันกดย้ายโอนเงินกันโอนเงินซื้อข้าวซื้อของกันซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้ากัน นั่นคือแหล่งของการเวียนว่ายตายเกิดชอบไปกดปุ่มที่ผิดปุ่มที่ถูกไม่กดกันไปกดซื้อราบซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อตัวหนังซื้อตัวละครหรือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าเรอบินจองที่พักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันนี้แหละคือแหล่งของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่ากําลังขังตัวเองอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายลองกดหาพวกนี้แล้วก็แสดงว่ากําลังสมัครเข้าคุกนคุกที่มีกําแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิด ด, ด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งเรียกว่าตาย ถ้าถ้ากดมือถือเพื่อซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรียกว่ากำลังจองที่พักอยู่ในโรงแรมของการเกิดแก่เจ็บตายาจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยเพราะความอยากที่จะหาความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญความสุขที่อยากจะหาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่มันจะไม่มีวันหมดถ้าตราบใดเราทำตามความอยากความอยากนี้มันจะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากได้คืบพอได้คืบก็จะอยากได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วา มันจึงพาให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแทนที่จะกดสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตยไม่กดกันลองกดดูเสพดูเนี่ยกดเข้าไปเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาเยอะแ ย, ยะไปหมดอยากจะรู้เรื่องอะไร เกีกับวิธีการดําเนินวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในมือถือของพวกเราแล้วอยู่ในกํา ม, มือของพวกเรา แ, แต่เคยกดกันไหมไม่เคยเหมือนกับไก่เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนอาทิตย์นี้จะไปที่ไหนดีไปอยู่ที่ไหนไปพักที่ไหน ที่นั่นมีอะไรกินมีอะไรดูกดหาแต่ความรู้เหล่านี้ทั้งนั้นแต่ความรู้ที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ที่จะทำให้พระนิพพานแจ้งขึ้นมาในใจนี้กดไม่เป็นต่อไปอาจจะต้องมีดักสูตรสอนวิธีกดค้นหาพระธรรมคาสอนในโทรศัพท์มือถือพรารู้สึกว่าใช้กันไม่เป็นเลย ใช้แต่วิธีรู้จักวิธีช้อปปิ้งทนวิธีจองตัว๋วจองตั๋วเรือบินจองโรงแรมจองร้านอาหารจองรถยนต์รถเช่าจองอะไรต่างๆนี่มือถือคล่องแคล่วว่องไวกดกันปุ๊บได้กันปับ๊บแต่ให้กดหาสติปฐานสูตรนี้กดไม่เป็นให้กดหาธรรมจักกับปวัตนาสูตรกดไม่เป็น ห, หามารแปดกดไม่เป็นหาอริยสัจ ส, สี่กดไม่เป็นหาใจรักกดไม่เป็นกันต่อไปอาจจะต้องมีหลักสูตรสั่งสอนอยนใช่ไหมครับทําไมถึงกดถึงไม่กดกันเพราะกดไม่เป็นเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนออต่อไปที่นี่อาจจะต้องเปิดหลักสูตรวิธีใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หลักสูตรใหม่ตามแนวเ ท, นเทคโนโลยีใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องมีการสั่งการสอนใหม่ๆเพื่อจะได้ทันการกับทันโลกอันนี้พวกเราให้กิเลสมันแข่งเราไปก่อนมันเก่งกับเราเรื่องใช้โทรศัพท์มือถือนี่กิเลสมันเอาไปกินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนจะมาทางธรรมะนี่อาจจะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ มีใครเคยกดหาธรรมะในโทรศัพท์มือถือกันบ้างเปรียบเทียบกับการใช้มือถือตามความอยากของกิเลสตัณหาความอยากของกิเลสตัณหานี่มันใช้มือถือตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเตือนขึ้นมานี่กิเลสตัณหามันก็สั่งให้กดนะหาคนนั้นหาคนนี้หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ไม่มีเวลาใดสักเวลาหนึ่งที่บอกให้หาธรรมะกันเลย ไม่มีใครให้ออไม่มีใครคิดถึงธรรมะกันเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ เ, ออเพราะว่าออจิตใจยังไม่ฉลาดพ อ, อ, อไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดึงใจให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันถูกกระแสของอวิชชาโมหะ อ, อ, อวิชชาปัจจยาสังขาราที่คอยผลักดันจิตใจ ให้ไปหากระแสของกิเลสตัณหาให้ไปตามกระแสของกิเลสตัณหาให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันยังไม่เคยกดไม่เคยดึงจิตใจให้เข้าสู่กระแสของธรรมกันเลยมาหาวัดมาวัดนี่กี่ปีแล้วมาสำนักนี่กี่ครั้งแล้วเราเกิดประโยชน์อะไรหรือเปล่า เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือเหมือนเดิมเคยทำอะไรเคยคิดอะไรตามกระแสของกิเลสตัณหาทำให้มันน้อยลงไปหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือการวัดผลว่าไปถึงวัดหรือไปไม่ถึงวัดร่างกายอาจจะไปถึงวัดแต่ใจอาจจะไปไม่ถึงวัด ถ้าใจไม่ได้ศึกษาและไม่ได้น้อมนำเอาธรรมะที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจังการปฏิบัติอย่างจริงจังนี่แหละคือเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเรียกว่าปฏิบัติกันอย่างจริงจังปฏิบัติกันอย่างเข้มขน้นไม่ใช่ปฏิบัติแบบเลาะและ ปฏิบัติตามอารมณ์สามวันดีสี่วันไข้วันไหนอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติก็ไปเที่ยวแทนไปดูหนังดูละครแทนอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มขน้นแบบเอาจริงเอาจังแบบเบื่ออาชีพ เห็นไหมพวกมืออาชีพนี้เท่านั้นที่จะสามารถรับรางวัลเหรียญทองได้ผู้ที่เป็นมือสมัครเล่นนี้ไปสู้พวกมืออาชีพเขาไม่ได้เพราะมืออาชีพนี้เขาเอาจริงเอาจังเขาเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเขาฝึกซ้อมตั้งแต่เติ่นขึ้นมาทุกวันเตินขึ้นมาเขาก็ไปสนามซ้อมทุกวันเขาไม่มีอาชีพอื่น อาชีพของเขาก็คือการฝึกซ้อมการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจะได้รับรางวัลเหรียญทองเขาจึงได้รับรางวัลเหรียญทองกันพวกที่มือสมัครเล่นนี้เอาแบบหอมพอหอมปากหอมคอวันไหนว่างหรือวันไหนมีอารมณ์อยากจะทำก็ทำไปวันไหนไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำแล้ววันไหนไม่มีเวลาว่างก็ทำไม่ได้เพราะมีอาชีพอื่น รมอาชีพอื่นอยู่เอาการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเพียง อ, อดิเละงานอดิเลกมือสมัครเล่นทำพอผ่อนคลายพอไปพักผ่อนหย่อนใจธรรมะนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจธรรมะนี่มีไว้สําหรับฆ่ากิเลสธรรมะนี่ต้องเข้า เป็นการทำสงครามไม่ใช่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่ที่โหดร้ายทารุณที่สุดไม่มีศัตรูไหนที่จะโหดร้ายทารุณเท่ากับกิเลส ต, ตัณหาว่าไม่มีใครที่จะมาสามารถเฉืนจิตเฉือนใจบาดจิตบาดใจของพวกเราให้ทุกทรมานได้เท่ากับกิเลส ต, ตัณหา แต่พวกเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นมิตรพยายามเอาอกเอาใจมันตอบสนองความอยากความต้องการของมันไม่อยากให้มันเสียใจไม่อยากให้มันโกรธเราทิ้งเราไปอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นเพื่อนกับเราไปเรื่อยๆพอเวลาทำอะไรกับมันแล้วรู้สึกก็มีความสุขมีความสนุกสนาน แต่ไม่รู้ว่าเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรนี่มันกลับกลายเป็นศัตรูของเราขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเวลานั้นเพื่อนที่ดีของเรามันกลายเป็นศัตรูของเรามันบาดใจมันขีดใจของเราให้ทุกทรมานใจจนถึงบางทีให้เราฆ่าตัวตายก็มีเวลาที่เราสูญเสีย อะไรที่เราได้มาด้วยความอยากเวลาสูญเสียไปนี่มันจะเศร้าโศกเสียใจมากจะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพียงอย่างเดียวนี่แหละบิดของเราเวลาที่มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นศัตรูอันร้ายกาจ แต่มันฉลาดมันจะมาในรูปแบบของมิตรของเพื่อนชวนให้เราไปเที่ยวพาให้เราไปเที่ยวพาให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินแะ่พอเวลาที่ไม่สามารถพาเราไปได้เวลานั้นมันก็จะเปลี่ยนจากการเป็นมิตรมาเป็นศัตรูทันทีมาสร้างความเศร้าส้อยง้อยเหง า, งาว้าเหว มาสร้างความเครียดความหงุดหงิดความลำคาญใจต่างๆขึ้นมาอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากมิตรภาพของพวกเราที่มีกับกิเลสตัณหาเราไม่ควรที่จะไปเป็นมิตรกับกิเลสตัณหาเราควรที่จะทำลายมันทุกครั้งที่มีโอกาสทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมามันมาชวนให้เราไปทำอะไร เราต้องพยายามกำจัดมันทันทีอย่าไปทำตามมันทำแล้วเดี๋ยวมันจะหักหลังเราเดี๋ยวเวลาที่เราไม่สามารถทำที่ตามที่มันอยากทำได้นทีนี้แทนที่มันจะให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์ความเครียดกับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจเรา ให้รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูกันแนะ่ผู้ที่เป็นมิตรของเราที่แท้จริงก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราเสียสละแบ่งปันทำบุญทำทานสอนให้พวกเราลกษาศีลอย่าไปทำบาปกันสอนให้พวกเราไปเปรีกวิเวกไปหาที่สงบ ไปภาวนากันนี่แหละคือมิตรที่แท้จริงของเราเพราะถ้าเราทําตามที่มิตรของเราแนะนําได้เราจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์เหมือนกับที่เราทําตามกับศัตรูของเราที่มาในรูปบาปของมิตรคือกิเลสตัณหานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ <c oughs> ศึกษาให้เข้าใจ ว่าเรามีมิตรและมีศัตรูเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้คบบัณฑิตอย่าคบคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งบัณฑิตกับคนพาลที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอยู่ที่ภายในใจเรานี่ยแหละบัณฑิตก็คือมิตรผู้ที่หวังดีกับเราคือบัณฑิต ผู้ที่หวังร้ายผู้ที่ต้องทําร้ายต้องการทําร้ายทําลายจิตใจของพวกเราก็คือคนพาลหรือศัตรูวิชของเราก็คือพระธรรมส่วนศัตรูหรือคนพาลก็คือกิเลสตัณหานี้เองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตนแล้วชีวิตจะมีแต่ความ เป็นมงคลให้ดูตรงนี้คนพาลกับบัณฑิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ภายในแต่เบื้องต้นเราต้องอาศัยบัณฑิตภายนอกมาชี้มาสอนมาบอกให้พวกเราได้รู้จากตัวบัณฑิตตัวคนพาลที่แท้จริงว่าอยู่ในใจของเราตอนต้นเลยต้องหาบัณฑิต คบบัณฑิตภายนอกก่อนอย่าไปคบกับคนพาลคนโง้อบัณฑิตภายนอกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของจิตใจของเราเรื่องมิตรเรื่องศัตรตูที่มีอยู่ในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไปคบกับคนพาลคนง่อ เขาจะไม่รู้เรื่องมิตรเรื่องศัตรูที่มีอยู่ในใจของเราเขากลับไปเห็นพวกที่เป็นศัตรูที่มีอยู่ในใจของเราว่าเป็นมิตรเขาก็จะชวนเราไปทำตามที่ศัตรูของเราอยากจะทำเขาก็จะชวนเราไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาลาบยศจันรเสริญ นี่หละคือคนพานคนโง่เพราะไม่รู้ว่ากำลังพาจิตใจให้เข้าสู่กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองส่วนบัณฑิตนี่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่สอนให้พวกเราถอยออกจากการเข้าสู่กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการไปทําบุญทำทานกันแทน ถ้ามีเงินถ้าอยากจะใช้เงินอย่าเอาเงินไปใช้กับความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเงินไปใช้กับการทำบุญทำทานจะเป็นคุณประโยชน์ต่อจิตใจจะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขไม่หิวโหวยเหมือนกับการเอาเงินทองไปใช้กับความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่จะทำให้มีแต่ความหิวความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะหาก็จะเป็นเวลาที่เครียดเวลาที่ทุกเวลาที่หงุดหงิดลาคาญใจเวลาที่เศร้าส้อยหงอยเหงาเวลาเงินหมดไปเที่ยวไม่ได้ต้องอยู่บ้านเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจ แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญทำทานแล้วจะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นทำบุญทำทานแล้วจะมีแต่ความอิ่บเอิบใจสุขใจพอใจความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวนี้จะหายไปหมดแล้วพอไม่มีเงินทำบุญก็จะไม่เดือดร้อนยังมีความสุขได้จากการระลึกถึงบุญที่ได้เคยทำเอาไว้ว่าได้เคยไปทำบุญที่นั่นเคยทำบุญที่นี่กับคนนั่นคนนี้ พอคิดเท่านั้นความอิ่มเอิบใจสุขใจก็ยังกลับมาใหม่แต่ถ้าเอาเงินไปใช้กับการไปเที่ยวพอเงินหมดไม่ได้ไปเที่ยวพอไปคิดถึงสถานที่เคยไปเที่ยวจะเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากไปแต่ไม่ได้ไปเสียแล้วนี่แหละคือความแตกต่างระหว่าง คำสอนของบัณฑิตกับคำสอนของคนพาลหรือคนโง่คนพาลจะสอนให้เราสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันจะสร้างความทุกข์ด้วยการผลิตความสุขในระยะเริ่มต้นในในระยะแรกในระยะที่เราได้ไปทาตามความอยากของเราจะเกิดความสุขมากแต่จะไม่เห็นระยะหลังเวลาที่ไม่สามารถ ทำตามความอยากได้ว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเอาเงินไปใช้ในการทําบุญทําทานนความทุกข์อันยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าซ้อยงอยเงาความว้าเหวความหงุดหงิดําคาญใจที่ไม่สามารถไปเที่ยวไปทําอะไรตามความอยากได้จะไม่เกิดกับ จากผู้ที่เอาเงินเอาทองมาทำบุญทาทานทําให้ผู้ทำบุญทาทานนี้อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขและจะทำให้รักษาศีนลนภาวนาได้อย่างง่ายดายสามารถสร้างความสุขที่สูงขึ้นไปได้ด้วยการเริ่มต้นที่การทำบุญทาทานถ้าเอาเงินเอาทองไปเที่ยวจะไม่มีวันที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้ เพราะใจมันจะดิ้นหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายเพียงอย่างเดียวมันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถภาวนาได้ <Yeah. S 1> การจะภาวนาได้นี่ใจจะต้องหยุดดิ้นหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกาย <Yeah. S 1> นี่คือนิวรณอันหนึ่งการมาชัชฌิมทาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกาย ทำให้ไม่สามารถมาอยู่บ้านพักป่าไม้แปดหลังได้ยังอยากไปเที่ยวที่สิงคโปร์อยากไปเที่ยวฮ่องกงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ไม่มีวันที่จะมาจองที่พักทีมป่าไม้ได้จะไปจองตามโรงแรมต่างๆนี่คือความจริงที่นี่มีแปดหลังแต่ว่างอยู่เรื่อยๆไม่เคยเต็มเลย ที่อื น, นี่มีเป็นร้อยห้องพันห้องนี้เต็มตลอดเวลาเนี yeah. ่ยเพราะว่าไม่ทําบุญทําทานเงินะเอาเงินทําบุญทําทานไปเที่ยวกัน yeah. ถ้าเอาเงินทําบุญมาทําบุญทําทานแล้วรับรองได้ว่าใจมันจะอยู่บ้านได้อยู่ที่วัดได้ไปอยู่ที่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้เพราะนิวรรตัวไร้กาศคือกามฉันทะนี่ถูกกําจัดไปน นี่แหละคือหน้าที่ของฐานช่วยกำจัดนิวรณ์ตัวไร้ากาศคือกามฉันทะตัวที่ทําให้คนไปภาวนากันไม่ได้ไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญากันไม่ได้ก็คือตัวกามฉันทะนี่คือความยินดีความชื่นชมความชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะนี่เองชอบไปเที่ยวกันชอบไปชอปปิ้งกันชอบไปกินไปดื่มกัน ชอบไปดูหนังฟังเพลงกันชอบไปงานสังคมต่างๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานมั่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรร้อยแปดต่องานนี่อันนี้เป็นกามฉันธาทั้งนั้นที่พวกเราติดกันจึงทำให้พวกเรามาภาวนากันไม่ได้มารักษาศีลแปดกันไม่ได้เพราะศีลแปดนี้จะห้ามเสพกามฉันทะนั่นเองถ้า ถือศีลห้านี้ยังไปเที่ยวได้ยังไปช้อปปิ้งได้ยังไปไหนมาไหนได้เพียงแต่ไม่ให้ทำบาปไม่ให้ไปเบียดเบียนไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ศีลห้านี้อนุญาตให้เราเบียดเบียนตัวเราเองได้ทำร้ายตัวเราเองได้ทำร้ายด้วยกามาฉันทะทำร้ายด้วยการไปเที่ยวทำร้ายด้วยการไปช้อปปิ้งทำร้ายด้วยการไปทาอะไรตามความอยากต่าง เพราะเวลาที่ไม่ทำไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นน่ะมันจะกลับมาทำร้ายตัวเราแต่ถ้ารักษาศีลแปดได้นี้เราจะป้องกันการทำร้ายตัวเราด้วยทำร้ายผู้อื่นด้วยศีลห้าข้อแรกสี่ข้อแรกก็ป้องกันการทำร้ายผู้อื่นสี่ข้อหลังก็ป้องกันการทำร้ายตัวเราเอง สิ่งที่จะป้องกันการทำร้ายตัวเราเองก็คือศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอะบรา ม, มัจาริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใครพอเราไม่ร่วมหลับนอนกับใครได้เราก็สบายแฟนจะอยู่หรือไม่อยู่แฟนจะทิ้งเราหรือไม่ทิ้งเรานี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังต้องร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่วันดีคืนดีแฟนจากเราไปเนี ทีนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วนอนคนเดียวไม่ได้แล้วนอนคนเดียวมันจะเศร้ามันจะเหงาเพราะเคยนอนสองคนเนี่ยนี่เป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้สึกตัวการไปเที่ยวการรับประทานอาหารมากเกินไปก็แบบเดียวกันกินอาหารมากเกินไปก็มีปัญหาต่อสุขภาพของร่างกายหมอแนะนำให้ลดอาหารก็จะทุกข์แล้ว ้ลดอาหารลงแต่ถ้าเราลดตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งแต่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรลดอาหารได้อย่างง่ายดายการไปเที่ยวเราก็ตัดเป็นเสียการไปเที่ยวต่างต่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนการนอนก็ให้นอนแบบง่ายๆนอนแบบกับพื้นแข็งแข็งนี่แหละ ปูเสือ่อปูผ้าไม่ต้องหาผูกหาเตียงมานอนให้มันมากเกินไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างประโยชน์ให้กับเราหยุดการเบียดเบียนตัวเราด้วยการรักษาศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลาให้เราได้มาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราจริงๆคือได้มาภาวนาจริงๆการจะภาวนาได้นี้ต้องมีเวลาต้องมีสถานที่ เวลาเราจะได้จากการรักษาศีลแปดเพราะเมื่อเรารักษาศีลแปดได้เวลาที่เราจะไปใช้กับกิจกรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็จะถูกยับยั้งไปะจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แนละ้วจะไปกินอาหารค้าก็กินไม่ได้นะจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็หลับไม่ได้แนละ้วจะนอนบนเตียงหนาๆเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆจะได้นอนนานๆก็นอนไม่ได้แนละ้ว นอนได้สี่ห้าชั่วโมง ก, ก็ไม่อยากจะนอนแล้วเตื่นขึ้นมาก็ลุกดีกว่านอนบนพื้นแข็งๆแล้วมันเก็บหลังถ้านอนบนพูกหนาๆแล้วมันสบายพอร่างกายเตื่นขึ้นมาแล้วใจมันไ ม, ไม่ยอมตื่นใจขอนอนต่ อ, อ น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเริ่มต้นจากการทำบุญทำทานทำบุญทำทานแล้วจะทำให้เราตัดพวกกามฉันทะได้ ทำให้เราอยู่กับที่ได้อยู่บ้านได้อยู่วัดได้ทำให้เรารักษาศีลห้ารักษาศีลแปดได้ทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาภาวนามาเจริญสติเพราะการจะทำสมาธิทำใจให้สงบนี่จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าไม่มีสติแล้วจิตจะไม่มีวันสงบต่อให้ไปอยู่ที่สงบขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มีสติใจจะฟุ้งอยู่ข้างในข้างนอกเขาสงบแต่ใจนี้ฟุ้งจะเป็นบ้าถ้าไม่มีสติคอยระงับพอ ย, ยันเวลาจะภาวนาก่อนจะภาวนาได้จะต้องฝึกสติก่อนฝึกสติก็ต้องมีที่มีเวลาที่ต้องสงบไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้ไปคิด ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสปุทะธาที่เคยเเสบเคยสัมผัสมาให้สัมผัสพอไปพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยได้สัมผัสแล้วมันก็จะปรุงแต่งไปเลยอหนึ่งต้องไปอยู่ในที่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนี่ไม่มาคอยดึงใจให้ไปคิดฟุ้งซ่านอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเนี้นี่คือสถานที่สําหรับการภาวนาเรียกว่าการไปปีกวิเวก ไปอยู่คนเดียวอยู่หลายคนแล้วเดี๋ยวมันก็คุยกันเจอ ก, กันก็จะคุยกันคุยกันแล้วก็จะฟุง้งแล้วเดี๋ยวก็กิเลสตัณหาก็จะมากันเดี๋ยวก็ชวนกันไปกินไปดื่มไปอะไรกันไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ไปเจริญสติต้องไปปีกวเวกแล้วเวลาปีกวเวกแล้วก็ต้องเจริญสติต้องควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย เง่มตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปล่อยเหมือนเคยคิดต้องหยุดมันหยุดด้วยสติอย่างใดอย่างหนึ่งสตินี้มีสี่สิบสวิธีด้วยกันบริกรรมพุทธโธก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะหยุดความคิดปุงแต่งต่างๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่่งกายในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวก็เรียกว่าเป็นการสติเป็นการเจริญสติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากายะกตตาสติ ถ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรามีการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งบริกรรมพุทธโธไปเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรไปมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราสามารถเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องสลับกันก็ได้บางทีอยากจะหยุดพุทธโธก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ กำลังแปลงฟันก็แปลงอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นกำลังหวีผ้าหวีผมก็อยู่กับการหวีผมอย่างเดียวกำลังอาบน้ำแต่งตัวก็ให้อยู่กับการอาบน้ำแต่งตัวอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าการเจริญสติให้ใจรู้เฉยๆให้รู้ว่ากาลังทาอะไรแต่ไม่ให้คิดไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นคิดกับเรื่องที่กำลังทำอยู่ได้ราะต้องคิดบ้างเวลา ทำงานก็ต้องคิดหวีผมก็ต้องคิดว่าหวีไปทางไหนดีหวีไปทางซ้ายหวีไปทางขวาอันนี้ก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่ให้คิดเรื่องอื่นเรื่องที่จะทำให้ใจใจลอยถ้าคิดอยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่นี่ไม่ลอยเขาเรียกว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้ใจตั้งอยู่กับปัจจุบันแล้วใจจะสงบได้เวลาที่เราไม่ต้องทาอะไรเราก็นั่งขัดสมาธิหลับตา แล้วก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือบริกรรมพุทโธพุทโไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะสองอย่างปนกันก็ได้สำหรับบางท่านบางท่านก็ดูลมด้วยบริกรรมพุทโด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้หรือจะเอาพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องดูลมก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แล้วแต่ความพอใจ เป็นเหมือนอาหารบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งบางคนชอบแบบครึ่งๆไม่แห้งจนเกินไปไม่เปียกจนเกินไปก็เอาแบบครึ่งๆึก็ได้ครึ่งแห้งครึ่งครึ่งเปียกอันนี้ก็ตามความพอใจกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันมีสติแบบใดแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน พุทโธก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกใจก็รวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นภารกิจที่จะต้องทําอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องทําแบบขาดตอนไม่ได้เพราะขาดตอนปั๊บใจจะฟุ้งขึ้นมาทันทีถ้าไม่ควบคุมด้วยสติปั๊บในี้ใจจะ เหมือนกับปล่อยลิงออกจากกรงทันทีพอเปิดฝากรงนี้ลิงมันจะวิ่งออกทันทีมันจะไปวิ่งไปเที่ยวไปเล่นตามภาษาของมันทันทีพอไม่มีสติกากับใจนี่คิดไปทันทีไปหาเพื่อนหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ไปทำนู่นไปทานี่ทันทีนั้นต้องดึงมันไว้ควบคุมมันให้ได้ใจจะเป็นสมาธิใจจะมีความสงบได้นี่ต้อง มีสติเพราะผลที่ได้จากการมีสติทำใจสงบนี้คือความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขระดับพันิพานเลยเพียงแต่ว่ายังเป็นความสุขชั่วคราวเป็นพันิพานชั่วคราวเท่านั้นเองความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงถ้าสามารถเข้าถึงความสุขันนี้ได้เนี่ยจะมีกาลังใจขึ้นม า, มาก พลังจิตทั้งหลายจะโผล่ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่แบบเป็นแบบล้มลุกคุกขานี้จะกลายเป็นสติศรัทธาศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาแบบก้าวกระโดดเลยเป็นแบบนักวิ่งมาราทอนขึ้นมาทันทีเมื่อเช้าเนี่ยเขาวิ่งมาราทอนอยู่เนียนั่นแหละเราไปลองวิ่งกับเขาดูสิ mm hmm. <laughs> จะได้สักกี่กิโล กี่เมตรดูไกลเยอะว่าโลดเพราะเราไม่มีพลังเราไม่ฝึกซ้อมเราไม่เจริญเราไม่หัดซ้อมแบบเขาพวกนี้ก่อนที่เขาจะมาวิ่งได้เขาไม่รู้ซ้อมมากี่เดือนกี่ปีก่อนที่จะมาวิ่งกับเขาได้พวกเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้จิตของเรานี้เป็นแบบนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเราต้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทำบุญทำทาน อย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทำบุญทำทานนะวันนี้จะเอาเงินไปเที่ยวเอามาไว้ที่นี่ให้หมดวันนี้ขอลิฟให้หมดจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยเอามาไว้ที่นี่ให้หมดเอาไปทำบุญทำทานดีกว่าได้ประโยชน์ไม่เกิดโทษเอาไปเที่ยวเอาไปทำตามความอยากแล้วเกิดโทษเพราะมันจะไม่พอใช้เวลาเงินไม่พอใช้มันสบายไหมเครียดไกดบัตรมากเกินไปเนี่ย ถึงเวลาจะต้องจ่ายเขาไม่มีจ่ายเขาเลยเครียดหรือเปล่า <S <S เวลากดไม่เครียดใช่ไหมเวลากดสนุกโอแต่เวลาต้องจ่ายมันเนี่ยทีนี้มาเครียดแล้วมาดูยอดที่เขาส่งบินมาให้ดูโอ้ยมันทำไมมากมายขนาดนะี้เพราะเวลากดมันไม่เคยจำใช่ไ้มไม่อยากจำเพราะถ้าจำแล้วมันจะกไไ ด, จะดไม่ได้จะรูดไม่ได้มันเลยต้องพยายามลืมๆเสียเวลารูดมันจะได้สบายใจ รูดก็หลอกตัวเองว่าโอ้ยเพิ่งรูดไปไม่กี่ครั้งจะมารูดอีกทีก็ตอนที่มันเขาส่งบินมาเก็บเราสิโอ้ยมันทำไมมากมายขนาดนี้นะเราต้องมาเริ่มต้นที่การทำบุญทำทานทำบุญทำทานแล้วจะทำให้เรารักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดได้ไปเปรีกเวเวกไปภาวนาได้ไปเจรียงสติควบคุมความคิดต่างๆหยุดความคิดต่างๆได้ นั่งสมาธิก็จะทำใจให้เข้าสู่ความสุขของพนิพานได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ตามเป็นเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างแล้วได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างพอเห็นภาพยนตร์ตัวอย่างแล้วก็ชอบขึ้นมาที่อยากจะได้ของจริงแล้วสิทีนี้พอได้ตัวอย่างแล้วทีนี้อยากจะเอาของจริงทีนี้แทนที่จะมาอยู่แค่สามวันห้าวันนี้ก็ขอสมัครอยู่อย่างทุกวันเลย ไม่ยอมกลับบ้านแล้วทิ้งบ้านแล้วทิ้งบ้านทิ้งใครทั้งหมดไปแล้วที น, นี้จะมาอยู่วัดมาบําเพ็ญกันมาบวชกันใ น, น, น, นสมัยพระพุทธการดูประวัติของพระพุทธเจ้าสิพอพระพุทธเจ้าบวชแล้วพอบรรลุแล้วพอเอาธรรมะมาสอนญาติพี่น้องก็บวชกันตามกันฮลูกก็บวชภรรยาก็บวชแม่เลี้ยงก็บวชญาติพี่น้องก็บวชกัน เพราะว่าเขาไม่เคยได้รู้จักความสุขอันยิ่งใหญ่นี้จนหลังก่อนที่ตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไม่มีใครรู้ถึงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้พอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมาสอนมาบอกเขาเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะได้ความสุขอันนี้กันทุกคนออกบวชกันตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุกันทุกคน มันไม่ยากเย็นเลยถ้าลองมีศรัทธาแนละ้วถ้าลองได้สัมผัสได้เห็นหนังตัวอย่างแนละ้วจะทําให้เกิดมีศรัทธาแบบไม่ไม่สั่นคลอนเรียกว่าอาจาระศรัทธาอาจาระศรัทธานี้เกิดจากการที่เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแม้แต่เป็นเพียงชื่อข ะ, ะงูแลบลิ้นก็ตามเถิดแม้จะเป็นเพียงหยดเดียวของรถแห่งธรรมเหมือนรถ ของแกงที่แตะกับลิ้นแม้แต่เป็นเป็นหยดเดียวแต่ลิ้นจะรู้ทันทีว่ามันรสอร่อยขนาดไหนจะทําให้อยากจะกินทั้งหม้อเลยพอได้แตะเพียงหยดเดียวเท่านั้นจะเกิดความอยากเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องก้าวไปสู่ตรงจุดนั้นให้ได้ก้าวไปสู่การได้พบกับหนังตัวอย่างอันนี้ไม่มีใครเอาหนังตัวอย่างนี้มาฉายให้เราดูได้ เราต้องใช้เองใช้ด้วยการเริ่มต้นที่ด้วยการทําบุญทําทานเลิกเอาเงินไปเที่ยวไปใช้ตามความอยากเอามาทําบุญทําทานให้หมดนแล้วก็จะได้มารักษาศีลภาวนาพอได้ภาวนาได้ปีกเว้เวกได้เจริญสติได้นั่งสมาธิเดี๋ยวลดแห่งธรรมอันเลิกก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วพอได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วนี่ก็จะไม่อยากจะได้ลดอะไรอีกต่อไป จะละหมดมีอะไรข้าวของเงินทองอะไรต่างๆจละให้ผู้อื่นได้หมดตอนนี้ต้องการเวลาเพียงอย่างเดียวเวลาที่จะได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบแล ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปเพื่อทําความสงบนั้นให้เป็นความสงบที่ถาวรเพราะความสงบที่ได้จากสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับยาเพียงแต่กดญยาเอาไว้กดกิเลสตัณหาไว้ยังไม่ได้ทําลายพอ พอปล่อยให้กิเลสออกมาปั๊บมันก็จะมาทําลายความสงบทันทีถ้าต้องการให้สงบอย่างถาวรต้องกําจัดความอยากกิเลสตัณหาให้หมดไปทุกครั้งที่ปัน่นโผล่ขึ้นมาต้องใช้ปัญญาถึงจะทําลายมันได้ทําลายจะบอกเห็นผลว่าทําไมเราต้องหยุดความอยากต้องไม่ทําตามความอยากเพราะความอยากมันเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความเครียดของความทุกข์ทั้งหลาย พอเรารู้ด้วยปัญญาพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันได้ด้วยกำลังของสติของสมาธิแล้วต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหายหมดไปแล้วความสงบที่เราได้จากสติก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีนิพพานคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาตัวที่จะมาคอยสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจนั้นเอง เมื่อมันถูกทำลายหมดไปใจก็จะสงบอย่างถาวรสงบอย่างไม่มีวันเสื่อมต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับหากเราตั้งอยู่ในการไม่ประมาในความไม่ประมาให้มัน ล, ลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราจะได้รีบขวนขวายรีบทำประโยชน์อันแท้จริงให้แก่จิตใจของพวกเรากิเลสตัญหาที่มาคอยหลอกเราให้ไป ทำสิ่งที่ไร้สาระมันก็จะหลอกเราไม่ได้เมื่อเราคิดถึงความตายเมื่อเรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ด้วยใไอคิดแบบนี้แล้วเราจะได้หันเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิภาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาบรรลุมรรคผลนิพพานกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุส so ังกาปาจันโทปนะระโสยะถาเมณิโชติ อาระโซยัาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพปโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายยโกภาอภิวาทนสิริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวทานติอายุวันโสุขัง พารัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคําถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตงดถามตอบ ป, ปัญหาถ้าไม่อยากจะถามเองก็ใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านให้อ่านคําถามให้ แต่อย่าถามตอนที่เลิกประชุมแล้วเพราะหมดเวลาหมดแรงไม่ใช่ไะไม่ได้โอทีวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กมีสามร้อยี่สิบเก้าท่านคะ YouTube 4, ่ะ y o u t u หนึ่งรอยยี 8, ่สิบสี่วิทยุแปดผู้รับฟังบนเขาสองร้อยสามค่ะรวมเป็นหกร้อยหกสิบสี่ท่านค่ะ ถ้า okay. มีคําถามก็อ่านได้เลยมีคําถามจาก facebook นะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์กิเลสคือความอยากแล้วความอยากปฏิบัติทำอยากสวดมนต์ภาวนาถือว่าโดนกิเลสครอบงําหรือไม่อย่างไร อ, อ๋อไม่เป็นธรรมความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นธรรมก็มี ความอยากที่เป็นธรรมเราเรียกว่ามัคความอยากที่เป็นเกเร x, แเราเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือต้อนเหตุของความทุกข์ใจมัคคือต้อนเหตุของการดับของความทุกข์ใจเออ น, นขอให้เราอยากในทางมัคอยากในทางธรรมอยากทำบุญทำทานอย่างที่เทศอยาเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทำบุญทำทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนา อันนี้แหละเป็นความอยากที่เป็นมรรคที่จะพาไปสู่พระนิพพานต่อไปคำถามข้อต่อไปการทําสมาธิควรทําให้สมาธิเป็นญาณหรือทําสมาธิให้เป็นสมาธิหรือไม่อย่างไรคือสมาธินี้แปลว่าความสงบฌานแปลว่าการเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตจิตก็จะสงบเป็นชอ่า ยันชาญกับสมาธินี่ก็เป็นคำใกล้เคียงกันใช้แทนกันได้คำว่ายานนี้แปลว่าปัญญาคนละเรื่องกันชานปัญญาหรือยานไม่เกิดจากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวเกิดบางเกิดยานบางอย่างแต่ไม่ไม่ครบทุกอย่างยานที่เกิดจากการนั่งสมาธิคืออะไรก็คือการได้เห็นความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ย อันนี้ก็เป็นญาณอย่างหนึ่งความรู้ว่าความสุขที่เหนือกวบความสุขทั้งปวงนี้อยู่ที่ความสงบจะเห็นตอเมื่อทำใจให้สงบอีกอย่างที่จะเห็นก็คือเห็นว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกันคนละสวนกันเวลาจิตถอนออกจากร่างกายจิตไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อันนี้ก็เป็นญาณระดับแรกแต่ยังไม่หมด ยาที่จะทำให้กิเลสตัณหาตายยังไม่เกิดจากยาที่ได้จากสมาธิต้องเป็นอีกขั้นหนึ่งคือการวิปัสสนาวิปัสสนาคือการพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ต้องพิจารณาตอนที่ออกจากสมาธิคิดอยู่เรื่อยๆ พอจะไปยึดไปติดกับร่างกายก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่ตัวเราหยุดมันไม่ได้หยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะตายให้มันตายไปมันจะเจ็บให้มันเจ็บไปเ้าใจก็จะได้ไม่ทุกข์อันนี้ถึงจะเรียกว่ายานหรือปัญญาความรู้ที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรต้องดับด้วยวิปัสสนาญาณคือการเห็นใจรัก คำถามข้อต่อไปการอยากหลุดพ้นแต่จะเป็นการผักพละให้กับอุพการีนี้จะถือว่าเป็นการหลุดพ้นหรือเป็นการเห็นแก่ตัวหากคำถามนี้เป็นการล่วงเกินก็ขออาหัวศีกรรมด้วยครับก็เวลาไปเที่ยวไม่เห็นว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอะไรพอเวลาไปปฏิบัติธรรมนี้กลายเป็นเห็นแก่ตัวขึ้นมานแปลกไหมมันก็ไป ไปเที่ยวนานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมนี้เห็นแกบตัวขึ้นมาทันทีก็ไม่รู้ว่าจะแยกแยะยังไงว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้เพ่าแม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเฝ้าอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงที่ไหนบางทีไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ดูแลกันได้กดเงินโอนเข้าไปนี่ก็สบายแล้ว พ่อแม่ก็จ้างเด็กมาเลี้ยงได้มามาดูแลได้มามาซักผ้ามาทําความสะอาดบ้านได้ซื้ออาหารกินเองได้ไม่เห็นจะต้องไปอยู่ใกล้กันเหรการดูแลมันไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ใกล้กันไปวัก็ดูแลได้มีมือถือสมัยนี้กดเอนนืองเงินโทรถามกันอยู่ได้ว่าเป็นยังไงขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็บอกมาใช่ไหมคำถามจากคุณเติม ยายฝากถามนะคะว่าลูกตัวเองเสียไปแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงยังคิดถึงเขาอยู่ถ้าเป็นแบบนี้วิญญาณเขาจะยังเป็นห่วงแม่เป็นทุกยังไปยังไม่ไปไหนหรือเปล่าคะจะเกี่ยวกันไหมคะ <c oughs> แล้วบางทีชวนพี่น้องทำบุญให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วแต่เขาก็จะบอกว่าคนเขาตายไปแล้วจะขุดคุยขึ้นมาเรียกเขากลับมาทำไม การทำบุญให้แบบนี้จะเป็นการเรียกเขากลับมาไหมคะ อ, อ๋อไม่หรอกถ้าเขาไม่คิดถึงเราเขาก็ไม่มาเลยอย่างแม้จะคิดถึงเราแต่ถ้าบุญหรือ บ, บาปมีกําลังมากกว่าเขาก็มาไม่ได้อยู่ดีมันอยู่ที่กําลังถ้าเราคิดความความคิดถึงเรามันแรงมากอาจจะสู้กับกําลังของบุญของบาปได้ชั่วคราวเช่นพระบวชตายไปแล้วคิดถึงจีวรรักจีวร ก็เลยมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะภาจีวอนแตะก็เกาะได้แค่เจ็ดวันพอตัวเลนตายไปก็หมดกำลังที่จะกลับมาก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ยันอย่าไปกังวลกับผู้ที่เขาตายไปแล้วเลยเขาไปแล้วถ้าเขาอยู่ใกล้เราเขาก็จะเข้าฝันเราเองถ้าเขาไม่เข้าฝันก็แสดงว่าเขาไปริบไปรับแล้วหรือ บ, บางทีฝันอาจจะไม่ได้เขาเข้าฝันก็ได้เราไปฝันคิดถึงเขาเองก็ได้ ก็อย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องของคนที่ตายไปแล้วว่าไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปทำอะไรได้ค่ะำถามจากบนเขาในชีวิตประจำวนันเราเจอผัสสะกระทบใจเราใช้สมาธิในการหลบหลีกเพื่อให้มันผ่านถือว่าเป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่คะก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ไม่เป็นการแก้ปัญหาทาวรเพราะออกจากสมาธิเดี๋ยวมาเจอสัมผัสก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าต้องการแก้ปัญหาอย่างทาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสัมผัสต่างๆเป็นตายักณ์ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาไปแล้วก็มาห้ามเขาไม่ได้วิธีที่จะปฏิบัติกับผัสสะโดยที่ไม่วุ่นวายใจก็คืออุเบกขาทําใจให้เฉยอุเบกขาที่ได้จากสมาธิ อย่าไปตอบโต้อย่าไปยินดียินร้ายให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาเกิดรู้ว่าเขาดับรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับความดีไม่ดีของเขาแล้วต่อไปจิตใจของเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจกับผัสสะต่างๆคําถามจากคุณแอนขอถามค่ะเวลาเห็นคนอื่นทําบุญมากมาเช่นมีของมา มากๆถวายนำเงินถวายมากๆแต่ตนเองมีน้อยนิดที่จะทำบุญบางครั้งคิดน้อยเนื้อต่ำใจของตนเองเราจะคิดอย่างไรดีเจ้าคะก็คิดว่าความรู้สึกในใจนี้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินของแต่ละคนคือเงินของแต่ละคนนี้ให้ความสุขใจแต่ละคนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกัน เงินร้อยบาทสําหรับคนหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งนี้อาจจะให้ความสุขใจไม่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเป็นจํานวนเงินเป็นสัดส่วนของเงินที่มีอยู่เท่าไหร่ถ้ามีอยู่ร้อยบาทแล้วทำร้อยบาทเนี่ยมันเท่ากับทําหมดเลยทำร้อยเปอร์ซนตเลยก็จะได้บุญร้อยเปอร์ซตแต่คนที่มีพันบาทแล้วทำร้อยบาทเนี่ยก็ทําเพียงสิบเปอร์ซนก็จะได้ความรู้สึก บุญสิบเปอร์เซน์ท่านั้นเองฉะนั้นจำนวนเงินนั้ไม่ใช่เป็นตัววัดบุญวัดความสุขใจของเราแต่วัดบารมีอยู่คนที่ทำหมื่นหนึ่งกับคนที่ทำร้อยหนึ่งเนี่ยบารมีไม่เท่ากันชาติหน้ากลับมาคนทํำหมื่นก็ได้หมื่นคนทำร้อยก็ได้้อยไม่ใช่ทําร้อยเราจะมาได้เท่ากับคนทํำหมื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนเพราะเงินบุญนี่เป็นเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคาร ฝากในธนาคารไว้หมื่นเวลาไปเบิกก็ได้หมื่นบวกดอกเบี้ยถ้าฝากร้อยจะไปขอเบอิกหมื่นเขาก็ไม่จ่ายเขาก็จ่ายได้แค่ร้อยเดียวอจะต่างกันตรงนี้ต่างองค์ที่บา ร, รมีคือเงินที่เราจะได้คืนมาในในภพหน้าชาติหน้านี้จะไม่เท่ากันแต่ความรู้สึกใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คนให้เงินร้อยบาทอาจจะได้บุญมีได้ความสุขใจมากกว่าคนที่ ให้พันบาทอยู่ที่ว่าเป็นสัดส่วนของเงินที่เราทําไปมันเท่าไหร่ถ้าเราสละร้อยทั้งร้อยอย่างนี้มีร้อยก็ให้ไปหมดแทนที่ยอาเงินร้อยไปซื้อขนมกินก็เอาอันนี้ขอทาบุญแทนส่วนในคนหนึ่งมีพันหนึ่งกแบ่งไปร้อยหนึ่งได้อยังเลยต้องเก้าร้อยยังไปกินขนมไปทำอะไรได้อยู่อะเห็นความรู้สึกจะไม่เท่ากัน คนเสียร้อยหนึ่งกับคนที่เสียร้อยคนที่มีร้อยเสียร้อยกับคนที่มีร้อยคนมีพันเสียร้อยนี้ความรู้สึกจะไม่เท่ากันความรู้สึกสุขใจก็คือบุญไม่เท่ากันตรงนี้คำถามจากคุณเกรียงไกร <c oughs> กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับการสวดพระคาถาชินบัญชรที่บ้านสามารถสวดได้ไหมครับจะกข่มพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านไหมครับ อ, อ๋อไม่หรอกสวดที่ไหนก็สวดได้ข่มกิเลสการสวดนี้เป็นการข่มกิเลสข่มใจทําใจให้สงบขยับข่มกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆให้มันสงบตัวลงด้วยการสวดมนต์อยู่ที่ไหนก็สวดได้คำถานจากคุณมาสีกราบพ้าอาจารย์ถ้ามีครอบครัวแต่อยากจะปีกวิเวกอยากถือศีลแปด จะทำได้ไหมคะถือว่าผิดต่อครอบครัวไหมคะอ๋อไม่หรอกเราก็ไม่ได้ทิ้งครอบครัวไปเราก็ยังทำหน้าที่ของเราอยู่เพียงแต่วันไหนเราว่างก็บอกครอบครัวว่าวันนี้จะขอถือศีลแปดหนึ่งวันเช่นอาทิตย์ละวันเนี่ยพุธเจ้าสอนให้เรามาถือศีลแปดกันอาทิตย์ละวันถ้าอยู่บ้านมันรักษาลําบากถือลําบากก็ไปอยู่วัดวัดมันง่ายกว่า ก็อยู่บ้านเราถือศีลแปดคนอื่นก็ไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็มาอมารบกวนกันะพอถึงเย็ยนเขาก็จะกินข้าวพอเราได้กินกับข้าวเราก็จะหิวขึ้นมาแต่ถ้าไปอยู่วัดพอถึงเย็ยนก็ไม่มีใครกินข้าวมีแต่คนสวดมนต์ไหว้พระกันอย่งนั้นก็ทําได้ไม่เป็นการเบียดเบียนครอบครัวไม่ได้เป็นการทิ้งหน้าที่ในเวลาทําความดีแต่ละครั้งกิเลสมันสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะไม่หมด เวลาไปเที่ยวห้าวันเจ็ดวันไม่ไม่เคยคิดว่ามันมีปัญหากับครอบครัวเลยใช่ไหมฮกิเล่มันฉลาดไหมอะไรที่เป็นธรรมนะกิเล่มันจะคอยสกัดอยู่ทุกทุกทุกขั้นทุกตอนเลยเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะได้ชี้แจงบอกให้รู้ว่าทำอย่างไรที่จะ กำจัดไอ้อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปถ้าไม่เข้าจะไม่รู้เพราะไม่มีไม่มีประสบประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านสู้กับกิเลสมาจนฆ่ามันหมดแล้วท่านรู้ฤิ์รู้เดด ร, รู้เล่รู้กนของมาทุกรูปแบบแล้วมันจะแยบออกมาทางไหนนี่รู้ทันที อยู่กับครูบาอาจารย์นี่ท่านรู้ทันทีพระเนรทาอะไรยับออกมานี่ท่านรู้แล้วกิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วญาติโยมทําอะไรปุ๊บนี่รู้ทันทีญาติโยมจงไม่ค่อยกล้าไปอยู่กับวัดเท่าไหร่นอกจากพวกที่ต้องการให้ท่านช่วยฆ่ากิเลสท่านน่ะถึงจะไปกันพวกที่ยังรักยังหวงกิเลสอยู่นี่ไม่กล้าไปกันยังเสียดายกิเลสกูวท่านจะฆ่าให้เรา คำถามจากท่านผู้ทรงใบลานเปล่าตอนนั่งสมาธิเกิดอาการวูบปุ๊คล้ายๆจะง่วงเกิดจากอะไรครับก็สติไม่มีกำลังพอเวลาจิตจะสงบไม่คิดอะไรมันก็ง่วงแทนที่มันจะเข้าสมาธิมันก็เลยหลับแทนสติกำลังไม่พอต้องฝึกสติให้มากขึ้นมันฝึกสติก่อนมานั่ง ฝึกบ่อยๆฝึกอย่เดือดๆให้จิตมันเติรนนไงสตินี่เป็นทามตัวที่ทำให้จิตเติรนจิตรู้แต่พอไม่ได้ฝึกสติมีสติน้อยพอใจมันเริ่มสงบมันก็เลยหลับแทนที่จะเข้าสมาธิไปมหมดแล้วแหละก็เหลืออีกสี่นาทาีมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่า ไม่มีก็จะพูดแถมให้ก็แล้วกันเรื่องสตินี่สำคัญมากถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนกับไม่มีกุญแจรถยนต์รถยนต์นี่จะไปไหนมาไหนได้นี่ต้องมีกุญแจถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้เหมือนกันจิตจะไปนิพพานได้ก็ต้องมีสติต้องมีสติพอมีสติแล้วก็จะควบคุมใจให้สงบได้ พอใจสงบแล้วก็จะทำให้มีกำลังที่จะมาสู้กับกิเลสได้แล้วก็มีกำลังที่จะฝึกคิดในทางปัญญาได้ถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสมันจะคอยดึงจิตให้ไปคิดทางกิเลสมันจะไม่ให้มาคิดทางปัญญามันจะให้คิดแต่ของสวยๆงามๆของน่ารักน่าดูน่าชมของที่ไม่น่ารักน่าดูน่าชมเจนาสุภะนี้ไม่อยากให้คิด ปฏิกูลอาหารปฏิกูลก็ไม่ให้คิดคิดแต่อาหารที่น่ากินน่าน่าดื่มไม่ให้ไปคิดถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในซุม้มมันไม่ยอมคิดเนี่ยเข้าวซุมนี้มันไม่ยอมมองอาหารจะได้ซุ้มไปอาหารที่กินเข้าไปเนะี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่ซุ้มในที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่ยอมคิดแต่ถ้ามีสมาธิสมาธิจะกดกิเลสตัวที่คอย ห้ามใจไม่ให้ไปคิดทางธรรมะพอจิตสงบก็จะมีกำลังที่จะเดึกมาคิดอสุภะคิดถึงความตายคิดถึงปฏิกูนของหน้าเกลียดหน้าไม่น่ากินทั้งหลายลถ้าทำได้มันก็จะหยุดความอยากได้ที่เราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเห็นว่ามันน่ากินนั่นเองเห็นว่ามันสวยมันหล่ออย่างนี้มันก็หยุดไม่ได้เห็นว่ามันน่าเที่ยว น่าซื้อแต่ถ้าไปเห็นว่ามันไม่น่าซื้อน่าเกลียดน่ากลัวมันก็จะเลิกได้ก่อนที่จะคิดทางปัญญาได้ต้องมีสติทำใจให้สงบก่อนถ้าไม่สงบไม่เกเรมันไม่อยอมคิดธรรมะก็ไม่มีกำลังที่จะดึงมาคิดมันก็จะคิดแต่เรื่องลาบยศจรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจะบกเล่นกาย มันก็จะเกิดตัณหาต่างๆขึ้นมาอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้ น, นการปฏิบัติทำเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาจึงต้องเริ่มต้นที่การจเจริญสติถ้าสติน้อยนั่งสมาธิปั๊บก็หลับไม่หลับก็ฟุง้งบางทีก็คิดมากคิดจังทั้งยับยั้งความคิดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน อยาข้ามขั้นบางคนคิดว่านั่งสมาธิก็นั่งเลยหลับตาเลยหลับตาแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรอะไรโผล่ขึ้นมาก็วุ่นวายไปกับสิ่งที่โผล่ขึ้นมาไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรนั่งอย่างไรฉะนนต้องศึกษาจากผู้รู้เมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็มีปัญหาก็แก้กันไปถ้าง่วงก็หัดหาวิธีแก้ความง่วงยินให้มันน้อย ส่วนหนึ่งก็กินมากส่วนที่สองอยู่ที่ปลอดภัยเกินไปมันก็เลยมันก็เลยไม่มีสติไม่มีความตื่นตัวก็ลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวบ้างเนี่ยพิธีกรนี่เคยนั่งอยู่หน้าศพเนี่ยตอนเวลากี่ทุ่งสี่ทุ่มสองยามไม่ไปนั่งอยู่หน้าศพสองต่อสองนี่ร <laughs> ับนองไม่ง่วง ก, กี่กี่โมงกี่ยามก็ไม่ง่วง <laughs> <laughs> นะ นี่แหละคือธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติกันเริ่มต้นที่สติเริ่มต้นที่มีครูอาจารย์ที่ดีที่มีประสบปการ์ถ้าจะหาครูอาจารย์ที่ดีหาครูอาจารย์ดีๆออย่าไปหาครูอาจารย์ที่ไม่ได้เรื่องเพราะมันจะไม่ได้ผลเอาล้วนะพอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ